เหตุการณ์นายแพทย์อาจินบุญยเกตพบวิญญาหนูพิมพ์ภวดีณโรงพยาบาลสิริราษจากหนังสือคู่มือปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเบื้องต้นรวบรวมและเรียบเรียงโดยพระราชวรมุนีบุญศิลปุตามาชาโตป ร, รียนธรรมก้าปริญญาดุษฎีบัณฑิตสาขาบาลีพุทธศาสนารองเจ้าคณะภาค16 วัดดุสิตารามวรวิหารซึ่งท่านเจ้าคุณได้ให้ข้อคิดไปว่าขึ้นชื่อว่าจิตวิญญาณแล้วเป็นเรื่องที่เชื่อยากสําหรับบุคคลบางกลุ่มซึ่งไม่พร้อมที่จะเชื่อซ้าร้ายบางท่านยังคิดโดยตั้งคำถามและสงสัยต่อไปว่าจิตวิญญาณแรกทีเดียวนั้นมาจากไหนก็สุดที่จะตอบแต่ถ้ามีเหตุผลสักนิดและพร้อม ที่จะเชื่อท่านที่พอจะเชื่อได้ก็โล่งสมองไปเลยเรื่องนี้พระพุทธองค์ได้ทรงรับสั่งตอบไว้อย่างชัดเจนแล้วว่าเป็นอนมัมตะคะซึ่งหมายถึงว่าหาต้นไม่ได้หาปลายไม่เจอและยังรับสั่งกำชับไว้ว่าอาจินไตยไม่ใช่เรื่องที่จะต้องคิดไม่ใช่เรื่องที่จะต้องสงสัยถ้าผู้ใดคิดผู้ใดสงสัย กระทรงให้เหตุผลว่าเป็นอุมมติกะภาคะคือมีส่วนที่จะเป็นคนวิกลจริตเหตุการณ์นายแพทย์อาจินบุญยเกศพบวิญญาหนูพิมพ์ภวดีณโรงพยาบาลสิริราชซึ่งจะปรากฏในโสดประสาทของท่านผู้ฟังก็เช่นเดียวกันย่อมจะมีทั้งปัญหาสำหรับบางท่าน และหมดปัญหาสำหรับบางท่านที่เชื่อท่านผู้ที่พอเชื่อถือได้ยกตัวอย่างเช่นเวลาวันเดือนปีเกิดของเราตอนเราเกิดลืมตา ม, มาดูโลกเราจำได้ด้วยหรือจริงๆแล้วเราจำไม่ได้เลยแต่เราก็มีเวลาวันเดือนปีเกิดกับเขา เพราะเราเชื่อท่านผู้ที่พอเชื่อถือได้คือบิดามารดาเหตุการณ์นายแพทย์อาจินบุญยเกศพบวิญญาณูพิมพ์ภวดีณนะโรงพยาบาลสิริราชเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงมีหลักฐานชัดเจนทั้งนี้รองศาสตราจารย์นายแพทย์กำมนพรแก้วพรสวร์โรงพยาบาลสิริราชได้รับอนุญาตให้จัดพิมพ์เผยแพร่เพื่อแจกเป็นธรรมทาน ให้กับคนที่มีศรัทธาเชื่อในกฎแห่งกรรมมากขึ้นโดยได้รับอนุญาตจากนางพิจิตบุญยเกตภรรยาของนายแพทย์อาจินบุญยเกตและนายเสียรีโหสกุลพี่ชายของหนูพิมพ์ภวดีโหสกุลขอฝากเรื่องเหตุการณ์นายแพทย์อาจินบุญยเกตพบวิญญาณหนูพิมพ์ภวดีณโรงพยาบาลสิริราชไว้ให้ท่านผู้ฟังพิจารณาดูโดยใช้ปัญญา เผื่อจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านที่เชื่ อ, อยากส่วนท่านที่มีความเชื่ออยู่แล้วย่อมเป็นประโยชน์แน่นอน